สองธรรมะที่เป็นอำนาจจึงยิ่งมีอำนาจทัพทวียิ่งขึ้นดังนั้นผู้ที่มีนิพพานหรือบางทีใช้คำว่าปรินิพพานแต่ยังไม่เป็นชนิดที่ปริโยสารผู้นี้ก็สามารถไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งอัตตาและไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งอนัตตา ซึ่งจะเป็นได้ก็ต้องด้วยปัญญาที่ไม่ให้ตงไปข้างใดฝ่ายใดได้อย่างแท้จริงของผู้ไม่มีตัวตนหรือไม่มีอัตตาจริงจึงไม่มีความลำเอียงแน่แท้เพราะไม่มีต้นเหตุที่เป็นตนกิเลสไปบงการตนให้ใช้อำนาจมาให้ตนอีกแล้วเพราะตนหมดสิ้นตนแน่แท้แล้ว นี้แหละคือผู้ที่มีอำนาจเหนือโลกและเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือตนซึ่งยิ่งใหญ่ในความเป็นโลกและเป็นตนหรือเป็นอัตตาอัตมันอย่างประเสริฐวิเศษจริงเพราะเป็นผู้ไม่เบ่งตนใส่โลกและไม่เบ่งโลกมาทับตนหรือไปใส่ใครๆในโลก จึงเป็นผู้มีธรรมะเป็นอำนาจหรือธรรมาทิปไตยแท้และจริงมีอำนาจที่เป็นกุศลยิ่งด้วยปราการอย่างนี้ผู้มีอำนาจพ้นโลกและมีอำนาจพ้นตนเช่นนี้เองที่เป็นผู้พ้นทุกขอาริยสัต์ได้จริงยิ่งใหญ่และเป็นผู้ไม่มีภยัยไม่มีโทษใดๆต่อโลกต่อมนุษย์ใดอีก เพราะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกและไม่มีตนจริงเป็นผู้ทำงานตามพลังงานที่มีมากยิ่งขึ้นแก่ผู้อื่นอยู่จริงนี่คือนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของโลก